บทภาชณีติกะปาจิตตี370ยังไม่ได้ทำให้เสียสีภกสิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้ทำให้เสียสีใช้สอยต้องอบัตปาจิตตียังไม่ได้ทำให้เสียสีภกสิกษุไม่แน่ใจใช้สอยต้องอบัตปาจิตตียังไม่ได้ทำให้เสียสีภกสิกษุสำคัญว่าทำให้เสียสีแล้วใช้สอยต้องอบัตปาจิตตีทุกทุกก ทำให้เสียสีแล้วภิกษุสําคัญว่ายังไม่ได้ทําให้เสียสีต้องอบัตทุกกฎทาให้เสียสีแล้วภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎทําให้เสียสีแล้วภิกษุสําคัญว่าใช้ไม่ต้องอบัต